คำพูดที่เหนี่ยวนำให้เกิดการบรรลุธรรมก่อนตายสิ่งใดเกิดมาแล้วสิ่งใดล่วงลับไปแล้วสิ่งเหล่านั้นยังคงเป็นสมบัติแห่งความว่างจากตัวตนดังเดิมเพราะมีความสำคัญผิดจึงเหมือนกับมีชั้นเกิดมาเพราะมีความสำคัญผิด จึงเหมือนกับมีชั้นตายไปต่อเมื่อทำลายความสำคัญผิดหลงเสียได้ตัวชั้นจึงปรกากฏชัดว่าไม่เคยเกิดมาและไม่ได้กำลังจะตายไปมีแต่ร่างหนึ่งกับจิตหนึ่งเกิดแล้วดับอย่างไร้ความสำคัญผิดอันใดชายผู้หนึ่งนามวานินากาวะกำลังจะสิ้นลมครั้งนั้น อาจารย์เซนชื่ออีคิวได้แวะมาเยี่ยมและกล่าวถามอย่างตรงไปตรงมาแข่งกับเวลาว่าอนุญาตให้ผมนำทางท่านจะได้ไหมดิหนากะวะได้ยินเช่นนั้นก็ตอบโดยปราศจากความหวังอันใดผมมาสู่โลกนี้ตามลำพังและกำลังจะจากไปตามลำพังแล้วคุณจะช่วยอะไรผมเกี่ยวกับทางมาทางไปได้เล่าท่านอีคิวตอบอย่างสงบ ด้วยดวงจิตที่เข้าถึงธรรมลึกซึ้งกว่านั้นถ้าท่านคิดว่าเป็นเรื่องจริงที่ท่านเคยมาและเป็นเรื่องจริงที่ท่านกำลังจะไปนั่นก็แค่ความหลงสำคัญผิดของท่านเองเอาอย่างนี้เถอะขอผมแสดงทางซึ่งไม่มีการมาและไม่มีการไปให้ท่านดูสักหน่อยนะด้วยคำพูดอันฉลาดแหลมและมีพลังเปิดเผยสัจ ธ, ธรรมของท่านอีกคิว พนวกเข้ากับจิตในวาระสุดท้ายของนินากะวะที่วางเฉยพอจะรับรู้ตามจริงทำให้เกิดสภาวะจิตเป็นอิสระจากความสาคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นตัวตนเห็นกายใจเป็นของอื่นเป็นของบทบังความจริงท่านนินากะวะจึงเข้าถึงความจริงอันปราศจากสิ่งบทบังคือมหาสุญญาตาที่อยู่นอกขอบเขตของการเวลาไม่ได้เคยมาพร้อมกับกายใจ และไม่ได้จะจากไปพร้อมกับกายใจด้วยความแจ่มแจ้งน้ที่นั้นท่านนินางกาวะจึงยิ้มอย่างงดงามและตายอย่างสงบเยี่ยงผู้ถึงซาโตริคนหนึ่งการใช้คำพูดเหนี่ยวนำให้เกิดความเห็นแจ้งทำลายอุปาทานว่าเป็นตัวตนเสด็ได้ทำนองเดียวกันนี้มีตัวอย่างดั้งเดิมปรากฏอยู่ในพระคำภีไตรพิดกยมกสูตร ต้นเรื่องคือพระรูปหนึ่งนามว่ายามกะเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าตนเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งแล้วและเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อหมดกิเลสตายแล้วไม่ไปเกิดในภพไหนไหนอีกหมายถึงตายแล้วขาดศูนย์พินาศสิ้นไปเลยพระสาวรีบุตรซึ่งเป็นอัครส า, าวก ฝ, ฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาล้าเลิศ โดยเฉพาะในการกลับความเห็นที่ผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกทราบเรื่องของพระยะมกกะเข้าก็เดินเท้าไปหาถึงที่อยู่แล้วซักถามเพื่อให้แน่ใจว่าทานยะมะกะมีความเห็นเกี่ยวกับพระอรหันต์ตายแล้วศูนจริงไหมเมื่อท่านยะมะกะยอมรับและยืนยันว่าความเห็นของตนถูกต้องแน่นอนพระสารีบุตรก็เริ่มคามถามอันทรงพลังในการดัดความเห็นที่บิดเบี้ยวให้กลับตรง ท่นยมกะท่านเห็นว่ากายนี้เที่ยงหรือไม know, ่เที่ยงไม่เที่ยงท่านสารีบุตรแล้วความรู้สึกสุขทุกข์ความจําได้หมายรู้ความคิดนึกชอบชังกับความรับรู้ทางหูตาเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเช่นกันท่านสารีบุตรเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงและท่านสาคัญว่ากายหรือความรู้สึกสุขทุกข์หรือความจําได้หมายรู้หรือความคิดนึกชอบชัง หรือความรับรู้ทางหูตาอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่หรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านสารีบุตรเมื่อแกะเอาความผูกยึดว่ากายใจเที่ยงกายใจเป็นที่ตั้งของตัวตนออกแล้วพระสารีบุตรก็ถามสรุปว่าทัานยมกะแท้จริงท่านก็เห็นอยู่ว่ากายใจที่กำลังปรากฏอยู่นี้ไม่ใช่บุคคลซึ่งก็แปลว่า ไม่มีพระอระหันต์อยู่ในกายใจนี้เช่นกันควรแล้วหรือที่ท่านจะเห็นไปว่าพระอระหันต์ตายแล้วย่อมขาดศูนย่อมพินาศพระยะมะกะบรรลุ ธ, ธรรมในขณะฟังสาธยายธรรมอัลลัมลึกของพระสารีบุตรทำลายความเห็นผิดว่ามีพระอระหันต์เกิดมาและมีพระอระหันต์ตายไปเสียได้เพราะไม่มีแม้แต่พระอระหันต์อยู่ในกายใจ มีแต่กายใจเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาประดุดภาพลวงตาหาแก่นสารไม่ได้เมื่อจิตเข้าถึงความจริงเช่นนี้ไระยะมะก่ยอมข้ามพ้นจากเรื่องพระอรหันต์ตายแล้วศูนหรือพระอรหันต์ตายแล้วอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งฉะนั้นล่าวต่อมาเมื่อมีใครถามไระยะมะกะว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ไหม ท่านเยมะกะจะกล่าวตอบทันทีว่ารูปคือกายไม่เที่ยงเวทนาคือสุขทุกก็ไม่เที่ยงสัญญาความจาได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยงสังขารความคิดนึกชอบชังก็ไม่เที่ยงวิญญาณความรับรู้ทางหูตาเป็นต้นก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งใดเป็นทุกข สิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาหาได้มีพระอรหันต์ตายแล้วสูญไหมถ้อยคำกระเทาะความเห็นผิดทั้งของพระสาริบุตรและของท่านอาจารย์อีคิวนั้นมีต้นแบบมาจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อปลดปล่อยจิตเป็นอิสระจากการครอบงำของกายใจเห็นกายใจเป็นของอื่นรู้สึกชัดว่าไม่ใช่ตน ไม่ใช่สิ่งน่าเข้าไปถือมั่นโดยความเป็นสัตว์หรือบุคคลสำหรับคนที่พร้อมจะเข้าถึงเพียงกล่าวเท่านี้ย่อมเป็นการพอเพียงเหนี่ยวนำให้เกิดมรรคผลล้างผิดแห่งความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเสียได้แต่สำหรับคนยังไม่พร้อมก็ต้องศึกษากันต่อไปว่ามีอุปสรรคอันใดขัดขวางไว้ซึ่งผมก็จะนามากล่าวในตอนต่อไป ว่าด้วยศาสนาแห่งความเข้าใจหากถามว่าคนทั่วไปฟังความจริงเรื่องกายใจไม่ใช่ตัวตนตัวตนไม่มีในกายใจแล้วทำไมจึงไม่พากันบรรลุธรรมเหมือนอย่างท่านนินาเาวะกับพระยะมะกะคำตอบคือคนทั่วไปขาดความพร้อมแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายมักเพ่งโทษผู้อื่น หรือฝากความหวังไว้กับที่เพึ่งอื่นนอกตนพอตนไม่บรรลุธรรมก็หาว่าครูสอนไม่ดีบารมีครูไม่พอจะพาตนเข้าถึงจึงพากันควานหาอาจารย์เซนหรืออีกทีก็ทำบุญอธิษฐานขอให้เกิดใหม่ในยุคพระพุทธเจ้าองค์หน้าชาตินี้จะได้นอนใจคือว่ามอบหมายหน้าที่ให้กับตัวตนในชาติถัดไปเรียบร้อยแล้ว อันที่จริงเมื่อกล่าวถึงสิทธิในการบรรลุธรรมนั้นก็มีการทุกยุคไม่ต้องรออาจารย์เซนไม่ต้องรอเกิดใหม่ในพุทธกาลถัดไปขอเพียงมีความพร้อมพอความพร้อมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยความเข้าใจเพราะถ้าปราศจากเหตุผลให้เข้าใจสัอย่างเดียวแล้วมนุษย์จะไม่มีแรงขับดันมากพอจะเพียรพยายามทำอะไรให้สำเร็จจริงสักอย่างเดียว ความเข้าใจอันเป็นไปเพื่อการเดินหน้าเข้าสู่การบรรลุธรรมได้แก่การเห็นตามจริงที่ว่าข้อที่หนึ่งเราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ทางใจก็ได้เคยเห็นไหมคนที่เผชิญสถานการณ์แย่ๆเหมือนเราแต่กลับเป็นทุกน้อยกว่าเราหรือดูไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเอาเลยนั่นคือตัวอย่างหลักฐานที่ชัดเจน ว่าความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับใจที่พร้อมจะทุกข์มากหรือพร้อมจะทุกข์น้อยหรือพร้อมจะไม่เป็นทุกข์เลยถ้าพระอาหารหันต์มีจริงก็แปลว่าการไม่ต้องเป็นทุกข์ทางใจอย่างถาวร น, นั้นเป็นไปได้จริงเนื่องจากพระอาหารหันต์ตามนิยามของพระพุทธศาสนาก็คือผู้ไม่เป็นทุกข์ทางใจไปจนตาย นับแต่วินาทีแรกที่บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ไม่ค่อยมีใครอยากเชื่อเกี่ยวกับความจริงข้อนี้ทุกคนต่างก็นึกว่าเป็นการทุกข์กับเรื่องไม่น่าพอใจนั้นสมเหตุสมผลยิ่งและไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แต่ในมุมมองของพระอระหันต์ท่านย่อมทราบดีกว่าใครว่ามนุษย์เรามีทุกข์แค่ทางกายก็พอแล้ว ใจไม่จําเป็นต้องกระสับกระส่ายตามกายแต่อย่างใดเลยทุกขทางใจคืออะไรคือความหมกมุ่นคลุนคิดเคร่งเครียดน่ารําคาญตนเองคือความฟุ้งซ่านซัดใสคือความหดหู่เศร้าหมองคือความกระวนกระวายอยากได้อยากมีคือความขัดเคืองอันเกิดจากความกระทบกระทั่งทางใจเหล่าพระอระหันต์รู้วิธีถอนรากแห่งทุกทางใจแล้ว ตืจ่จากฝันว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนแล้วเลิกหลงสําคัญผิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอัตตาแล้วกับทั้งมีจิตที่เบิกบานเป็นธรรมชาติถาวรแล้วเป็นสุขสูงสุดอยู่กับใจที่พอใจที่วางใจที่ว่างของตนแล้วจึงไม่อาจฟุ้งซ่านหดหูหรือกระวนกระวายใดๆด้วยความโลภความโกรธความลงผิดได้อีก ข้อที่สองเราไม่จำเป็นต้องเกิดมาก็ได้เมื่อเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นอื่นหรือเชื่อเป็นอื่นนอกจากเห็นไปว่าอย่างไรก็ต้องเกิดรวมทั้งสําคัญไปว่ามีเราเกิดมาการเกิดและการตายแต่ละครั้งคือห่วงโซ่ของความเข้าใจผิด ต่อเมื่อปลดห่วงโซ่แห่งความเข้าใจผิดออกเสียได้แม้เพียงชาติเดียวปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งความเข้าใจผิดก็จะถูกสะบั้นขาดแบบหมดทางต่อดุดตาลยอดด้วนฉะนั้นหากไม่พบพุทธศาสนาไม่เข้าใจว่าเรากำลังหลงสำคัญผิดนึกว่ามีเราเกิดมีเราตายก็ย่อมมีตัวตนขึ้นมาสวยผลแห่งความเข้าใจผิดซ้าแล้วซ้าเล่า พอตัวหนึ่งดับไปก็มีตัวหนึ่งขึ้นมารับช่วงแทนทั้งที่ไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ก็ต้องมารับผลของการกระทาแทนกันหรืออีกทางหนึ่งแม้พบพุทธศาสนาแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องความหลงสำคัญผิดแล้วแต่ยังสมัครใจที่จะเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกรักษาความสำคัญผิดต่อไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน เป็นเรื่องความไม่รู้จักโทษของการเกิดแต่ละครั้งว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทำเหตุอันนำความเดือดร้อนมาสู่ตนได้มากมายมหาศาลเพียงใดหากทราบหากเข้าใจดีว่ากิเลสคือแรงขับให้ทำบุญทำบาปและยังไม่นึกกลัวภัยก็ยอมเข้าข่ายประมาทสำคัญว่ากิเลสจะสั่งให้เราทำดีได้อย่างเดียว ไม่นึกว่ากิเลสสามารถบีบเราให้เลวร้ายได้แค่ไหนความหลงลืมและความไม่รู้จริงจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความอวดดื้อถือดีให้มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆส่วนความระลึกได้และความรู้ธรรมะทองแท้จะทำให้เราได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจหาใช่ตัวตนตัวตนหนึ่งของเราทว่าเป็นกิเลส ท, ที่ติดตามตัวเรา ไปแผงฤทธิ์ได้เรื่อยๆต่างหากวิธีปลดห่วงโซ่แห่งความเกิดตายก็คือการทําลายความเข้าใจผิดให้สิ้นซากเราเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นตัวตนเป็นที่ตั้งของตัวเราก็เฝ้าดูด้วยสติสัมปชัญญะไปเรื่อยว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในกายนี้เที่ยงไหมถ้าไม่เที่ยงในที่สุดจิตก็ได้ข้อสรุปเองว่า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 ส่วนนั้นของใจมีความเที่ยงมีความเป็นตัวของเราที่ปรารถนาให้อยู่ยั้งยืนยงได้หากตามรู้ตามดูไปจนถึงระดับหนึ่งจิตสังส่งสมกำลังการรับรู้มากพอก็จะเกิดประสบการณ์ภายในแบบใหม่เห็นถนัดทั้งยังลืมตาดูเงียหูฟังว่ากายใจนี้ปรากฏเป็นของเกิดดับทีละขณะ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 ห่วงโซ่แห่งความเข้าใจผิดจึงถูกตัดขาดส่วนจะถูกตัดเพียงบางส่วนหรือถูกตัดเด็ดขาดไปทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความแหลมคมแห่งจิตในวินาทีประหารกิเลสนั่นเองถ้ายังไม่เห็นข้อเสียของการเกิดเห็นแต่ข้อดีของการเป็นอย่างนี้ติดใจในการเสพซึ่งกามคุณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกาย บุคคลย่อมหลงระเริงอยู่ในความสุขไม่คิดจะออกจากโลกแห่งการอันน่าติดใจ ย, ยินดีรวมทั้งอยากเชื่อในการมีพบอื่นที่สวยสุขเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ยากนักที่จะปรารถนาความสิ้นสุดต่อเมื่อใช้ชีวิตแล้วประสบความผิดหวังเศร้าโศกบ้างประสบโรคร้ายเรื้อรังบ้างประสบความน่ารอาแห่งชราภาพบ้าง หรือสมหวังสุขสาราญและปรวนแปรเป็นอื่นบ้างนั่นเองจึงค่อยอยากหนีหายเกิดแรงดันมากพอจะบันดาลใจให้อยากปฏิบัติจริงเพื่อเห็นผลตามลำดับทั้งในแง่ของการบรรเทาทุกข์ทางใจและทั้งในแง่ของการปิดประตูการสร้างอัตภาพใหม่ให้ต้องเจ็บป่วยให้ต้องแก่ชราและให้ต้องพรากจากด้วยความตายกันอีก